วันนี้เป็นวันภารณาออกพรรษาตามพวกชาวบ้านเรียกว่าวันออกพรรษาแต่ว่าภิกษุสาเนนท่านตัวาวนาทางภาวนาด้วยการให้ภรณนาซึ่งกันและกันบรรดาภิกษุทั้งหลายที่อยู่จามรรษาเดียกันนั่นเวลา จะออกพรรษาแล้วตั้งภาวนาซึ่งกันและกันนายขวามวาได้เห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีได้ดความตั้งเขียดอะไรตังต่างกด็ดีในการที่ระพึ่ปฏิบัติภาวนาหม้เพื่อนไว้ขอให้จักเพื่อนว่ากล่าวด้วยความดีดูแก่าพิจาอย่างนี้แหละเมื่อออกพรรษาแล้ว เที่ยวไปในที่ชั้นชวรรในที่ต่างๆจะต้องห่างเหินไกลกันไปเนี่ยยังต้องปราณาไว้ซึ่งกันและกันคํำปราณนธานี่ยมีน้อย น, นิดเดียวอะ่ะปราณาซึ่งกันและกันของหมดเรื่องไม่ต้องสวดปาฏิโมกข์เรื่องข้อสำคัญที่สุดคือโปราณากันได้ แต่ช้าบ้างเขาว่าออกพรรษาก็โกงเงินกับออกพรรษาเหมือนกันนั่นแหะอยู่พรรษาสามเดือนแล้วเมื่อครบคไต่มาสามเดือนนี่จต้องเที่ยวจันจร์มาในที่ต่างๆท่านนั้นนหะออกคือมันเที่ยวไปท่านออกจากวันนั้นก็เที่ยวไปในที่ต่างๆตามภารกิจของตนที่จะต้องทํา ขั้นมาออกในที่นี่น ห, หมายความไอ้กลวงอะไรทั้งหมดขั้นออกมาแล้วมันต้องแต่สภาพแต่สภาพของเก่าอย่างปีกล้วยออกอะไรมันต้องไปขั้นออกจากต้นมาเนอะมันเอาปีกล้วยออกปีออกอกไอ้ต้นคว้วยออกปีงี้มันต้องเป็นลูกเป็นผลออกไปลูกไม้ผลไม้อะไรกันต่างๆต่ต่างกันต่างเต็ม ออกดอกออกผลมันต้องแปลจากเดิมขง้นต้นออกไปถ้าเจ้าพระสงฆ์ท่านออกภาษากับแปลไปแปลไปเธอเป็นซึกเป็นคารวานั่นมันแปลไปมันก็ถูกเหมือนกันนยางชาวบ้านน่ะตอนนี้ท่านออกภงษาแล้วบางคนอดเหล่ารักษาศีลท่านออกภงษาแล้วบุมเหล่าอีกยิ่งเ อ, อาหว่าเก่า นั่นก็มีั น, นเลยมันแปลสภาพไปเดิมคลองเดิมมันอยู่คงที่การแปลไปแล้วมันต้องแปลไปางแปลสภาพไปอย่างนั้นแต่ว่าผู้ที่ท่านมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมทั้งหลายไม่สามารถจะแปลไปไดเพราะภาษากระทาเก่า อยู่ในภาษากระเขาธรรมะเป็นของเก่าของเดิมปกติของที่ถ้าถึงธรรมะแล้วไม่แปรสภาพไปไหนในภาษาก็อย่างนั้นออกงอกภาษาก็อย่างนั้นไปที่ไหนที่ไหนปฏิบัติธรรมะของตนอยู่ตอบตอดเวลาอันนั้นท่านผู้มีปัญญาฉจ า, านท่านไม่แปรสภาพไปตาม นั้นมันนีจะอธิบายเป็นเรื่องของแปรสภาพเมียกว่าทำลายเรือนของอุปทานอุปทานมันถือมันยึดมันถือมันเขาไม่จะทำลายมันคือแปรสภาพออกไปเรื่องคืออะไร ทั้งหาคือความยึดไอ้ทั้งหาคือความคงความแต่งโอภาทานคือความยึดยึดอะไรก็ยึดร่างกายนี่แหละวิชาเป็นนายช่างใหญ่ตโตโมทัศน์ก็สร้างบ้านสร้างเรือขึ้นมาคือตัวของเรานล้วลนั่นก็นมายึดอันนี้อยู่ยึดมันที่มันมาตัวมาตัวแล้วนั่นมาทําลายแค่วันนี้ ม่ไหนก็อ่อกวิสัยก็ต้องทำลายหมดซะอย่างมันอยู่สภาพเดิมอย่างมันถือสภาพเดิมไว้ทำลายคืออยังไงแยกกระจายออกไปยอย่ามีตัวเกสรกมานาคตาตางๆแต่โยนแยกกับเพนชินมันส่วนออกไปลองหลับตานึกคิดลองดู ทุกๆคนน่ะรักตาเนื้คิดลงดูกายวิว่าทุกชิ้นทุกส่วนตัวของเราเนี่ยผมก็แยกออกไปเป็นส่วนหนึ่งขนก็แยกออกไปเป็นส่วนหนึ่งเล็บฟันหนังเนอ็นกระดูกแยกออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนออไปตลอดถึงตับไตลำไส้หน่อยไส้ใหญ่ตลอดถึงเครื่องไง ทั้งหมดแยกเราเป็นอันเป็นอันแ ย, ยกเราเป็นส่วนเป็นส่วนลไปตัวคนไม่มีมดตัวคนคนเลยไม่มีสิ่งปวงหมดกระจกระจายไปแล้วไม่มีทั้ง้าหากคิดพิจารณาโดยเฉพาะ เรียกว่าสริยสริยยนคือตัวคนเป็นสริยยนเครื่องจักรกลนหนึ่งเป็นยนเครื่องใช้เหมือนกันอย่างพระตเจจาวันเทศชนะอย่างพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นกันแล้วท่านท่านาจะเรียกว่า ท่านสบายดีหรืออย่างนั้นองไม่ต้องพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าพระิญ ย, ยันตัจะตูจะ ก, กังนวธาวารังข้ไม่มีอย่างท่านบอกจะตูจะ ก, กังร่างกายท่านบอกท่านพูดถึงเรื่องกายจะตูจะ ก, กังมีจักรสี่นวธาวารังมีถวานเก้า ทำมาเนี่ยอย่างท่านอดก ด, ด, ดกร้านอยู่รื้อท่านหลานทำไมว่าสบายดีหรือตัวท่านไม่ว่านะคงว่าสบายไม่มีว่าอดกร้านอยู่เพ อ, อดกร้านอยู่หรือท่านหลานจักสี่จะเรียกว่าขันเอท่าสี่ก็ได้จะเรียกเอริยาบทสี่ก็ได้มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นน่ย นวทวารังมีทวารเก้าคือมีหูมีตาสองหูสองตาสองหูสองทวารหนักทวารเบาไอหูสองตาสองนเป็นสี่แล้วทวารหนักทวารเบาเป็นหกลวแล้วก็มีลิ้นมีปาก แม้ก็มีกายเมื่อว่าถานรเก่าในมีอาการเก้าอย่างนงวัตวารังมีถานรเก่าจะตัวในคำ น, นี้ยังพึงอดกั้นอยู่หรือเท่าวรเงน้นถ้าไม่ว่าสบายก็อดสั้นอยู่ถ้าอดกัรนอยู่ไม่ได้ก็ต้องตาย ที่อดการอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงเราเียกว่ายัางไม่ถึงตายคนเกิดคือมานรรนนี้ทั้งหมดไม่มีใครเราได้ความสบายใครก็ไปหาได้ความสุขความสบายแต่ไม่มีถา้าเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกน้อยทุกใหญ่ทุกสั์ปัจจุันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์อย่างอัน ทุกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจากทุกอ น, นันต์เปลี่ยนสภาพแปลสภาพไปเป็นทุกข์อื่นต่อไปแล้วก็ทุกอ น, นั้นก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างเราเนี่ยนั่งนี่นี่เป็นทุขบื้องตน้นนานนะเขาก็เป็นทุกข์ทุกทนไม่ไหวก็ต้องพลิกนอนพิกนี่ ค้นไม่ไหวก็ต้องเดินมันทุกนั่งนั้นก็หมดไปทุกเดินเดินนั้นก็เป็นทุกเดินไปเดินมาทุกหนักเข้าจนเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องลงมานอนลงมาต้องยืนยืนน็ดเหนื่อยก็นาันั่งเขาก็นเหนื่อยเข้าอีกยืนเขา ก็ต้องลงนอนลงนั่งลงนอนทั้งนิยาบททั้งสี่เนะี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เนะแค่ที่จริงนิยาบททั้งสี่นะ่คือคือทุกันเนี่ยนะพวกเราไม่พิจารณาทุกไม่เห็นทุกสักทีทุกเพราะมันหายจากทุกนี้จะทุกอื่นเกิดขึ้นมาอีก เปลี aroma, ่ยนอิร uh, ิยาบถแต่ละอิริยาบถเนี่ยเป็นทุกข์เปลี่ยนจากเดินทุกข์เลยจะเปลี่ยนไปนา่งทุกข์เลยจะหายไปนั่นเกิดขึ้นมาเกิดทุกข์อีกทุกข์นั่นก็นอนนอนเป็นทุกข์ก็เดินอิริยาบถทั้งสี่ใครยังเดินยัง ไปยมาอยู่เปลี่ยนแต่ยู่เปลี่ยนอินเดียบทั้งสี่อยู่เป็นทุกข์ข้งนั้นนั่นยัว่าทุกข์ทางนั้นไม่มีใครดอกจะเป็นทุกข์ท่านจึงว่าเปลี่ยนคำว่าคมนี้ยา ง, งขึ้นคืออดกรารหรือยัง่าเพราอดกรารอยู่ได้หรือยังว่าเนมะื่อเรามาพิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องอิริยายบทั้งสี่เป็นทุกข์แล้ว มันพิจารณาถึงเรื่องกายอีกอย่างอธิบายฟังเลยอ่ะแยกเป็นสัดเป็นส่วนออกไปอย่างผมขนและผ น, นังนเนื้อเ็นกระดูกนี่เรียกว่าธาตุสิ่งน้ำดีน้ำสเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆนะ เป็นธาตุน้ํำธาตุทั้งสองอย่างนี้เป็นแม่บทของธาตุลมและธาตุไฟไม่เห็นหรอกธาตุลมและธาตุไฟแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี่มีอยู่ตราบใดแล้วธาตุนั่งมาอาศัยธาตุทั้ง่ธาตุสองนี่ข้างนั้นแล้วก็แปลกเลยอันตรวของเรามันทําการทํางานนี้ เรียบร้อยมาทุกสิ่งทุกอย่างเราตกแต่งอาหารวัิโภคทุกสิ่งทุกประการน่มาเรียบร้อยแล้วมาเปิดเข้ามาในปากเคี้ยวก็ไปกันลงไปในลำไส้งดเรื่องของเขาจะต้องทำการนี้มันทำเองหรกจัดการเองเขาต่างหาก มันย่อยตามลำไส้ลงไปมันซึมซาบไปในร่างกายสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างซึมซาบไปเองเราไม่ได้แต่งไม่ได้จัดการเราไม่เพียงแค่แต่งปลุกเข้าปะก่อนแล้วแล้วกันไปเป็นน้ำดีไปเป็นน้ำเสดจะเป็นน้ำหนอง เป็นน้ำเหลืองก็เป็นน้ำเลือดไปเป็นน้ำต่เป็นน้ำมูกแตกต่างหลายอย่างหลายประการไปหล่อเลี้ยงวดทุกกินทุกส่วนมันทอาไฟเองเขง้ามาต่งางหากตั้งแต่เพื่อนเท่าถึงหลายผม มันยังเป็นจักรเป็นเครื่องจักรนะั่นเองเราแยล่ลงไปไม่มีตัวนมีตัวเราเครื่องในนะี่เนี่ยเครื่องอยู่ในไตนี่นะทั้งหมดเป็นตับไตเป็นไตอ่อนไต เ, เป็นแล้วก็อาหารเป็นอยู่ในไตในตับในไตมันใช้การได้นในในในี้หมด น้ำตรงมาแต่งให้ไปตามอาการของมันแ้วครั้งมันเสียมันก็น้ำเข้ามาอีกมาในตับนั่นแหะมาในไตนั่นแหะมาในตับอ่ะนั้นเราปรุงมาแต่งอ่ะมาแล้วมันสูตรั้ำดีเน่ยน่ะคันถ้าหาว่ามันดีแล้วมันก็กระจายออกอีกตรงออกไปอีกเรียบร้อยหมดทุงสิ่งทุกอย่างให้คิดอย่างนี้คิดไปคิดไป ตามราการอย่างนี้แหละตัวของเราเขาจะหมดตัวไม่มีอะไรเลยการพิจารณาอย่างนี้หมดมานาทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวไม่มีมอะไรเป็นเครื่องถือนอกจากนั้นสภาพของเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาต้องเป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่ถือไม่ถือว่าตนวัตัววันเราว่าเขาคืงว่าทําลายออกมันหมดเช่ไทําลายยังมันมีชิ้นยังให้มีอยู่ในตัวให้พ่จะรณาเห็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไหนแล้วก็เข้าก้ษาออกก้น า, ออกกนา ว, วันนี้แหละ มันกระจายออกไปแล้วออกภาษาแล้วก็จะจายออกไปไปทุระพภาระหน้าที่ของตนของตนเที่ยวทังจรไปในที่ต่างๆหรือทาภารกิจเป็นทวงเงินทำงานทั้งหมดเนี่ยไม่มีในตัวงเราเราจะอยู่เย็นเบนสุขอันนี้จะเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรากะจายไปแล้วมันมีเครื่องยึด่นถือมันก็เบา มันก็สงบมันก็เบอามืันก็เย็นมันก็เป็นเพราะว่าสมาธิสมาธิจะไปเอาอะไรอีกมันทำสมาธิต้องพิจารณาันเดียวเสีก่อนมันจะเป็นฌานเป็นสมาธิขตามันขอให้พิจารณาอันเดียวเอ่คือขตารมคือให้มีอารมณ์ันเดียว มันนิ่งแนวแลงอันเดียวอย่างพิจารณาเกสรสาเี่ยเป็นต้นพินาจารณาเฉพาะผมมันเดียวนะผมมันเกิดขึ้นอย่างไงตั้งอยู่วนหัวเกิดขึ้นที่ลุกคุ้มคุ้มขนมันเกิดขึ้นที่ไอ้ต้นต่อของผมมันเกิดจากอุปโพคโอหิต มันมีน้ำเน่าอยู่ขาวๆอยู่โคนผมมันน่ะมันก็ค่อยงอกออกมาจากนั้นมันยังค่อยยาวออกไปคนตายนะทำไมยังผมยังยาวมันก็งอกสิน้ำน้ําเหลืองมันยังมีอยู่น่ะมันหล่อเลี้ยงน่ะน้าเน่ามันต่อเลี้ยงมันก็ยาวขึ้นหน่อยดีเจะว่าจะจันท์อะไรมันผมคนตายทำไมมันต้องยาวไม่ต้องอะไจันท์อะไรหรอก คำว่าใสน้ำเน่าน้ำหนองพิจารณาผมเส้นเดียวนั่นแหะผมมันเมื่อออมาแล้วก็ยาวไปโดยลำดับมันทำไงมันก็มีนัอนแนนะมันเป็นรูนั่นนห้ะเป็นผมมันเป็นรูให้อากาศเป็นช่องออกไปได้เหมือนกันนผมมัน ม, มันเลี้ยวทั้งสองขางตรงกลาง ม, มันใหญ่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันตอนหลุดร่วงไปเป็นดินเป็นน้าเป็นลมไปเหมือนกันเกิดจากดินเราคิดด้วยว่ามันเกิดยังไงคือมาจากดินธรรมดาดินคือหัว ข, ของเราที่ศีรษะของเรานะั้น มันเป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นกระดูกแต่ทําไมมันเกิดต้นผมออกมาได้กทำไมต้นหญ้ามันเกิดจากดินดินก็เป็นดินไม่ใช่ทำไมมันเกิดเป็นหญ้าอมาได้เนมันสภาพมันเป็นไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปอย่างนั้นหญ้าอธิบายฟังวิทย์กิบสิ่งทั้งพวงมดมังแปลสภาพไปอย่างนั้นนะเกงว่าให้พิจารณาสิ่งเดียว พิจารณาได้ผมมันอะมันชัดเจนลงไปให้เห็นชัดให้เห็นจริงลงไปในใจแน่นอนลงในใจจริงจังแต่คราวนี้มันจะเกิดนิมิต่างๆรแบามันจะเกิดเกิดเกิดเกิดไปจากนิมิตเออมันจะเกิดเกิดงิมิตต่างๆขึ้นมาอย่างี่จะนณามผมอย่างว่านี่แหละมันปรากฏเส้นผมเลยค่ะนี้ เป็นหน่วยภาพขึ้นมาเช่นผมไม่ใหญ่โตแต่ละาเจนหนึ่งเส้นเท่าต้นเสนาอย่างตรงนี้หนึ่งมันได้เกิดภาพเป็นหน่วยขึ้นมาหรือเช่นผมไม่ละเปลือกเเปะมดทั้งที่ส า, ภางเรานั่นก็เป็นได้เวลามันจะเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วให้พให้พิจารณาถึงตัวของเราที่ไปเห็น ดูจิตที่ไปเห็นน่ยไปเห็นภาพนี้ไม่ติตเนั้นอย่าไปหลงตามภาพนิมิตให้น้อมเข้ามาหาจิตใครเป็นคนเห็นผู้เห็นอันหนึ่งอันนิมิต อ, อันหนึ่งน้อให้จับเอาผู้เห็นนั้นไว้ให้การก น, าน้อมคนนั้นนิมิตนั่นก็หายไปอันนั้นหากคู่จะเกิด ถ้าผู้ไม่เกิดคราวนี้ค่อยเห็นชัดอย่างที่ว่า น, นี่นหะจะเพ็นพอตัวหนึ่งอื่น<ม>เป็นขนเนื้อผนังเนื้<ม> ก, กระดูกอะไรต่างก็ทํานองเดียวกันเรียกไวเห็นในในอาการเดียวเห็นในสิ่งเดียว ถ, ถ้าเห็น้ที่มาเห็นสิ่งเดียวนั้นคือมันส่งสายออกไป คิดปรงคิดแต่งอะไรต่างๆนึกคิดสงสายไปสารภาพทุกอย่างมันไม่รู้เฉพาะกายมันไม่รู้เฉพาะผมมันยังไม่ชัดอย่างาพิจารณาผมเองมันไปหาเรียบไปหาปั้นหนังหุืนหรือไปลอกหมืนไปหาสิ่งของการงานในหลวมดไปมดมันลืมใชทไหมผมเลยนะมันก็ไม่เป็นสมาธิทั้งนันสิ นี่เลที่ว่ายากเพราะ ว, วานาวันยากยากคือเพราะมันเพราะมันไม่ลงอันเดียวถ้าหาผู้ลงอันเดียวทําไมเค็งไม่ใช่ขอยากของมีอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นพนะจารณานเล็บกระหนังก็โดยทงหงเดียวกันนะนอาหัดไปพัวนา